ธรรมบทแปลเรื่องที่138เรื่องพระเจ้าสุดโทธนะขก็ความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในนิโครธารามทรงปรารบพระบิดาตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอุตติเทนัปปะมัชเชีเป็นต้นตอนพระสัสดา เสด็จไปกรุงกบิลพัทครั้งแรกความพิสดารว่าสมัยหนึ่งพระศาสดาเสด็จไปกรุงกบิลพัทบุรีโดยเสด็จไปครั้งแรกมีการต้อนรับอันพระญาติทั้งหลายทำแล้วเสด็จไปสู่นิโครธารามทรงนิรมิต ร, รัตนจงกรมในอากาศจงกรมบนรัตนจงกรมนั้น ทรงแสดงธรรมเพื่อต้องการทำลายมานะของพระญาติทั้งหลายแล้วพระญาติทั้งหลายมีจิตเลื่อมใสแล้วถวายบังคมตั้งต้นแต่พระเจ้าสุดโททนะมหาราชฝนโบกกรพัดตกในสมาคมแห่งพระญาตินั้นเมื่อมหาชนปรารบฝนนั้นสนทนากันแล้วพระศาสดาตรัสว่า ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นหามิได้ภิกษุทั้งหลายถึงในการก่อนฝนโบกคารพัดก็ตกในสมาคมแห่งญาติของเราเหมือนกันดังนี้แล้วจึงตรัสเวสันดอนชาดกบรรดาพระญาติซึ่งฟังพระธรร ม, มเทศนาแล้วหลีกไปอยู่แม้องค์หนึ่งก็ไม่นิมนต์พระศาสดาแล้วแม้พระราชาก็ไม่ทรงนิมนต์เลยโดยทรงดาริว่า บุตเราไม่มาสู่เรือนของเราจากไปไหนดังนี้แล้วได้เสด็จไปก็แลครั้นเสด็จไปแล้วรับสั่งให้คนตกแต่งข้าวต้มเป็นต้นให้ปู่ลาดอาสนะทั้งหลายไว้เพื่อภิกษุมีประมาณสองหมื่นในพระราชมนเทียนวันรุ่งขึ้นพระสัสดาเมื่อเสด็จเข้าไปสู่พระนครเพื่อบิณฑบาต ทรงใคร่ครวนว่าพระพุทธเจ้าในอดีตทั้งหลายสเสด็จถึงพระนครแห่งพระบิดาแล้วสเสด็จตรงไปสู่ตระกูลแห่งพระญาติทีเดียวหรือหนอแลหรือว่าสเสด็จเที่ยวไปเพื่อบิณทบาทโดยลําดับทรงเห็นว่าสเสด็จเที่ยวไปโดยลําดับดังนี้แล้วจึงสเสด็จดําเนินไปเพื่อบินทบาทตั้งแต่เรือนหลังแรก ประมาณดาของพระราหุนประทับนั่งบนพื้นปราสาทและเห็นแล้วจึงกราบทูลประพฤติเหตุนั้นแต่พระราชาพระราชาทรงจัดแจงผ้าสาดรีบเสด็จออกไปถวายบังคมพระาศาสดาแล้วตรัสว่าลูกเพราะเหตุไรท่านจึงให้ข้าพเจ้าฉิบหายท่านเที่ยวไปเพื่อบิณทบาต ให้ความละอายเกิดขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้าเหลือเกินขึ้นชื่อว่ากรรมไม่ควรอันท่านทําแล้วการที่ท่านเที่ยวไปด้วยวอทองคําเป็นต้นเที่ยวไปเพื่อบินธบาตในนครนี้นั่นแหละจึงควรท่านให้ข้าพเจ้าละอายทําไมตอนการบินทบาตเป็นวงของพระพุทธเจ้าพระศัสดา มหาพิพิธอัตมภาพให้พระองค์ละอายหาไม่ได้แต่อัตมาภาพย่อมประพฤติตามวงศสกุลของตนพระราชาพ่อก็การเที่ยวไปเพื่อบินธบาตแล้วเป็นอยู่เป็นวงของข้าพเจ้าหรือพระสัสดาตรัสว่ามหาพิพิธนั่นมิใช่เป็นวงของพระองค์แต่นั่นเป็นวงของอัตมภาพ เพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่พันหนึ่งเสด็จเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตแล้วเป็นอยู่เหมือนกันดังนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรมในพาสิทธิพระคาถาเหล่านี้ว่าอุตติเทนับปัมมัชยยะธรรมมังสุจริตังจเรธรรมมจารีสุขังเซติอสมิงโลเกปรมหิจะธรรมมังจเรสุจริตัง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 ไม่พึงประพฤติ ธ, ธรรมนั้นให้ทุจริตผู้มีปกติประพฤติ ธ, ธรรมย่อมอยู่เป็นสุขในโลกนี้และโลกหน้าตอนแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอุติทเท่ความว่าในก้อนข้าวอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับที่ประตูเรือนของชนเหล่าอื่นบทว่านับปมัมชัยยะ ความว่ากอภิกษุเมื่อให้ธรรมเนียมของผู้เที่ยวไปบินทบาทเป็นปกติเสื่อมแล้วแสวงหาโภชนะอันประณีตชื่อว่าย่อมประมาทในก้อนข้าวอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับแต่ว่าเมื่อเที่ยวไปตามลาดับตรอกเพื่อบินทบาทชื่อว่าย่อมไม่ประมาททำอยู่อย่างนี้ ชื่อว่าไม่พึงประมาทในก้อนข้าวที่ตนลุกขึ้นยืนครับบทว่าทำมังความว่าเมื่อละการแสวงหาอันไม่ควรแล้วเที่ยวไปตามลำดับตรอกชื่อว่าพึงประพฤติ ธ, ธรรมคือการเที่ยวไปเพื่อพิษานั้นนั่นแหลให้เป็นสุจริตคำว่าสุขขังเซตินั่นสักว่าเป็นเทศนาอธิบายว่า เมื่อประพฤติ ธ, ธรรมคือการเที่ยวไปเพื่อพิกษาชื่อว่าประพฤติ ธ, ธรรมเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขโดยอิริยาบถแม้ทั้งสในโลกนี้และโลกหน้าสองบทว่าณตังดุจจริตังความว่าเมื่อเที่ยวไปในอโครจรต่างด้วยอโครจรมีหญิงแพทยาเป็นต้นชื่อว่าย่อมประพฤติ ธ, ธรรมคือการเที่ยวไปเพื่อพิกษา ให้เป็นทุจริตไม่ประพฤติอย่างนั้นพึงประพฤติธรรมนั้นให้สุจริตไม่พึงประพฤติธรรมนั้นให้เป็นทุจริตคำที่เหลือมีเนื้อความดังกล่าวแล้วเหมือนกันในเวลาจบเทสนาพระราชาทรงดำรงอยู่ในพระโสดาปติผลแล้วเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่ชนทั้งหลายผู้ประชุมกันดังนี้แลเรื่อง พระเจ้าสุดโทธนะ